ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย <c oughs> สาหรับวันที่บันทึกนี้ก็ยังเป็นวันที่สิบเจ็ดรกฎาคมสอง7ห้ายี่ิเจ็ดตามเดิมคราวที่แล้วได้พูดถึงบทพินิวาสานุติยานความจริงบทพินิวาสานุติยานนี้ต้องทำให้คร่องทําให้จริง หากว่าท่านผู้ฟังหรืท่านผู้อ่านอยากจะทราบว่าทำอย่างไรก็ขอโปร ด, ดทราบว่าที่พูดนี้พูดกับคนที่ก็ฝึกได้มาแล้วและวิธีการต่างๆครูบาอาจารย์เขาก็สอนมาแล้วก่อนที่จะพูดอะไรทั้งหมดก็ขอเตือนเรื่องการทรงกําลังเขาสมาธิทรงกำํำทรงเวลา เวลาสมาธิทรงให้ดี้าไม่สภาพแจ่มใสอย่าลืมว่าหนึ่งจงอย่ามีความห่วงใ่อะไรทั้งหมดขณะที่ทำสมาธิกำลังใจของเราต้องดีตลอดวันนั่นคือไม่ยกตนข่มท่านไม่สนใจไม่แสไปหาเรื่องในติทยาจริยาของคนอื่น ใครเขาจะดีใครจะรเลวช่างเขาเราเห็นเขาเลวมากก็คือเราเลวมากเองถ้าเราเป็นคนดีในโลกนี้ไม่มีใครเลวเพราะทุกขันทุกคนอยู่ใต้อำนาจกฎของกรรมและก็ไม่ถือตัวเกินไปอารมณ์อย่างนี้เป็นสะเก็ดความดีในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงถัสว่าในทุนบริการสูตร แล้วก็การเข้าถึงกับเปลือกความดีขึ้นหนึ่งไม่ทําลายสินที่ตนเองไม่ยุยงส่งเสริมแม่บคคลอื่นทําลายสินไม่ยินดีแม่บคคอื่นทําลายสินแล้วสามารถระงับอยู่วันได้ทันทีทันใดที่ต้องการจิตทรงพรมีหันศรขอแถมนิดนึ่ง ใจยอมรับนับถือความดีของพระพุทธเจ้าของพระธรรมพระอริยสงฆ์มีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มนันโนกตายถ้าตายเมื่อไรขอไปนิพพานเมื่อ น, นั้นท่าบรรดาท่านพุทธวิสัชน์ท่บรรดาเพื่อนบิณฑุ ส, สมาเนนทุกท่าน <c oughs> สงอารมณ์ได้อย่างนี้ขึ้นเชื่อว่าการเกิดในบายภูมิต่อไปไม่มีแน่ จะเป็นเกินการเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นสุรกายเป็นสัติฉันนี้ไม่มีต่อไปอีกมีอย่างเดียวคือมุ่งหน้าปณิพาน์แล้วก็ถ้าหากว่าจะต้องเกิดใหม่ก็มีการจํากัดเวลาถ้าความเข้มข้นของจิตมีอยู่เกิดเป็นมนุษย์อชาติเดียวไปเป็นหลันไปปณิพาน <c oughs> ถ้ามีความดีกําลังจิตอ่อนลงมาเป็นอย่างกลาง เกิดอีกสามชาติจากคนแล้วก็ไปนิพพานกำลังจิตย่อหย่อนไปมากหน่อยก็เกิดอีกจิตชาติปปนิพพานแต่ว่าถ้าทรงกำลังใจได้อย่างที่ว่ามาแล้วพวกคนรูน้ทราว่ากองสมเด็จพระปฏิบแก่เพื่อทราบว่าถ้าตายจากคนไปเกิดเป็นเทวดาทุกพร พระศีอา่านมาตรัสฟังเทศจบเดียวอย่างน้อยเป็นประสดาบันและศริธาคามีฟังเทศอีกครั้งสองครั้งอย่างน้อยก็ไม่ช้านักได้เป ร, รียรหันรว่งความเาถ้าพระผูาากก้ได้เจ้าพระสีอา่านเป็นปณิพันธ์แน่แต่ว่าทางที่ดีขอทุกคนตัดสินใจปณิพันธ์ชาตินี้ดีกว่า จะได้มีการรวบรัฐขยันหมันเพียนปฏิบัติได้ความดีแล้วก็ในที่สุดเราจะไปได้ไม่ได้ไม่สำคัญตั้งใจจะไปถ้าตั้งใจไว้จริงๆมันก็ต้องไปกันแน่ไปชาตินี้ไม่ได้ชาติหน้าก็ไปได้แน่ <c oughs> หมอนเรบคนอยากรวยมีความขยันหมันเพียนโดยกอบไม่ไใช้สติปัญญาพอควร ถ้ามีอารมณ์สี่อย่างทรงตัวคือหนึ่งชันทะความพอใจในผลของการปฏิบัติสองวิริยะมีความเพียรต่อสู้อุปสรรคที่เข้ามาขัดขวางเราต้องเขวอุปสรรคเป็นของธรรมดาในการปฏิบัติงานทั้งหมด <c oughs> แล้วก็จิตตะอาจัยจจดจ่อสอดใส่คือไม่ทิ้งอารมณ์ ในด้นของความดีในข้อวัดปฏิบัติมีมังสาเจตุปญญาใข้โคนถ้ารมสี่อย่างนี้ทรงตัวทำทุกสิ่งทุกอย่างสำเร็จหมดทุกอย่างไม่เหลือจะเป็นฌานนิยานต่างๆทั้งหมดก็ดีหมด นี่ต้องขออภัยยืโยมันก็จะไอายข้มาจะเฉยนี่ความไม่แน่นอนของร่างกายเป็นอย่างนี้ <c oughs> จงอย่าคิดว่าร่างกายของเรามันดีเห็นความเร็วของร่างกายของผมไหมเ <c oughs> ลยเสียงสอนมันก็จะใช้ไม่ได้ความแก่เท่าเข้ามาครอบงา ตอนนี้ไปก็มาพูดกันถึงเรื่องอาตีตังสิยานอาตีตังสิาออยานคือยาในอดีตยาในอดีตนี่ก็เหมือนกันทำยังไงมันก็ไม่ยากรู้แล้วทางที่ดีนะก็รับให้ถามตรงองค์สมเด็จพระบัณฑิแก้วหรือว่าท่านผู้ใด ท่านบนใดมีเทวดาองใดมีพระอริเจ้าองใดที่ท่านจะทรงครับบอกให้ให้ถามจเจ้าพราะองค์นั้นอย่าเปะปะเอะอวิวายถามใครก็ได้ถามใครก็ได้อันนี้ไม่ได้แน่นอนต้องถามจเจ้าพราะบุคคลและเวลาจะเข้าถามทำใจสะอาดวางเฉยเป็น้ํากลางไม่คล้องไว้อารมณ์ใครทั้งหมด ใครดีใครชั่ววางทิ้งซะก่อนทำใจเป็นกลางแล้วก็ถามท่านอย่างนี้จะดีจะสะดวกมากเพราะว่าคนที่รู้อะไรทั้งหมดคือองค์สมเด็จพระพูมีพระภาพพวกเรายังเป็นลูกอุปาทานอยู่ดีไม่ดีความหลงไหลฝ่ายฝันอุปาทานมันจะกินเรา กลงความว่าเราใช้กำลังใจยอมรับนับถือพระพุทธเจา้าก็ทาพระอริ ย, รยสง์ให้ขึ้นใจในการส่งรูปจับรูปพระพุทธรูปเป็นนิมิตอย่าทิ้งทำเป็นประจำทุกวันต่อไปเราไม่มีพุทธรูปเดินทางไปไหนจับภาพส่วนใดส่นนั้วก็จำภาพนั้นไว้เท่านี้บรรดาแท่พุทธบริษัท ทุกอย่างจะเพียบพร้อมบริบูรณ์ด้วย ก, การทั้งปวงที่เรากำลพูดกัถึงอาตีตังสยานอาตีตังศยานคือยันในอดีตสําหรับยานใอดีตจะหมายความว่าสิ่งที่ล่วง ม, มาแล้วสิ่งที่ล่วง ม, มาแล้วเราต้องการพบเราต้องเอาอานาคตังสยานเข้าช่วยด้วย ถ้าเราตั้งใจจะรู้ทําใจสบายคำว่าใจสบายตอนนี้พูดมาแล้วคือรักษาสะเก็ดรักษากระพี้รักษาเปลือกให้ได้ไวใจะเย็นสงบแช่รมได้ทุกวันตลอดทุงวินาทีที่เราต้องการอยากจะรู้ตอนนี้เราก็ต้องการรู้วดี้สมมุติว่าเราไปเจอวิหารร้างเมืองร้างสถานที่ว่างเปล่า แล้วก็อยากจะทราบว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้างมีใครที่มีความสำคัญเกิดในที่นี้บ้างสมัยรั้นรูปร่างหน้าตาก็บ้านเมืองเป็นยังไงความสุขและความทุกข์กบ้านเมืองเป็นยังไงถ้ายังไม่คล่องอันดับแรกจนึกถึงภาพพระพุทธรูปคือภาพพระพุทธรูปหรือภาพพระพุทธเจ้าเนี่ยจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินให้ทำเรื่อยๆไป ข้าว่าทานอภัยครับผมจะเล่าถึงวิธีการที่ผมทํามาในการก่อนในการก่อนผมใช้วิธีการอย่างนี้ผมจะเดินไปไหนเพื่อจะนั่งที่ไหนเพื่อจนอนที่ไหนก็ตามถ้าว่างจะรารม่นนิดผมจะจับภาพพระพุทธเจ้าพระพุรูปอย่างใดอย่างหนึ่ง <c oughs> ให้เห็นอยู่ในอกตลอดเวลา ผมเดินไปวินาบาทเดินไปธุระไม่รู้ละผมใช้คำว่าตลอดวันแล้วก็เป็นเรื่องตลอดวันจริงๆก่อนจะดูหนังสือผมต้องเห็นว่าภาพพระพุทธเจ้าก่อนทําำจิตสบายจะเดินไปไหนจะพูดใครจะเข้าโรงเรียนจะสอนทัเกเรียนผมทําผมเห็นภาพพระพุทธเจ้าตลอดบางครั้ง เห็นท mm ั้งในอกไม่เห็นทั้งองค์ผมเดี๋ยวสมทูตเจ้าคลุมตัวผมตั้งแต่ศีรษะลงมาคือนั่งครอบเลยไอ้ภาพอย่างนี้ถ้าคนอันเดีายงี้บอกจะอามาจักไหนเป็นผ้าอุปาฐานก็ช่างเถอะเราทําจิตสะอาดนึกว่าเป็นอย่างนั้นเห็นภาพอย่างนั้นจริงๆก็แล้วกันแล้วผลใหญ่จะเกิดกับัรดาท่านพุทธบริษัท นั่นคือต้องการรู้อะไรรู้ได้ทันทีสมมติว่าทรายอยากจะรู้จักสถ า, านที่นี้ว่าสถ า, านที่นี้รูปร่างหน้าตาเป็นไงบ้านเมืองสวยสดเพรงามขนาดไหนมีใครเป็นคนสําคัญสมัยนั้นมีความสุขมีความทุกข์เป็นอะไการใดเป็นอะไการใดเราก็ต้องการทราบภาพนั่นก็จะปรากฏกับเรา เมื่อภาพนั้นปรากฏกับเราเราก็เชื่อมั่นทันทีว่าภาพปรากฏครั้งแรกให้เชื่อทันทีว่านั่นของจริงแต่นี้เมื่อภาพปรากฏอย่างนั้นแล้วอย่าเพิ่งไว้ใจตัวเองว่าภาพที่เห็นนั้นจะจริงหรือไม่จริงจะเป็นภาพหลงตาหรือเปล่า ในเวลาเดียวกันเราก็ใช้อรารมณ์แบบนี้ถามว่าตัของอะไรบ้างที่มีความสำคัญสักอย่างหนึ่งแม้จะไปโถแตกๆชามแตกๆตกจะซุกเกลืไหนฝังอยู่ไหนซึ่งไม่ริษนักพอจะคุยเกียดได้ในสถานที่นี้มีไหมถ้าภาพนั้นสะลากดขึ้นกับใจของเรา แล้วก็บอกสถานที่ว่าที่ตรงนี้มีอย่างนั้นเดินไปจุดนั้นทันทีขุดคุยดูของที่เราเห็นภาพมันมีจริงไหมถ้ามีจริงนั่ น, นแสดงว่าภาพอฏีตัสรายของเราถูกต้องหมดเวลานี้เราใช้ปัจจุบปนังสี ย, ยานปัจจุบันว่าในปัจจุบันนี้มีอะไรบ้างมีความสมําคัญในไหนอันนี้ต้องทําให้คล่อง ต้องทำเรื่อยๆจะริว่าเรายังไม่ใช่พระอาหารหันอาจจะผิดบ้างอยากถูกบ้างไม่ต้องกลัวแบบเราเรียนหนังสือกว่าจะเขียนหนังสือเป็นตัวขึ้นมาได้มันก็ ผ, ผิดผิดถูกถูกเขียนเป็นตัวบ้างไม่เป็นตัวบ้างเขียนถูกบ้างเขียนผิดบ้างเมื่อทำบ่อยๆคล่องเรานึกจะเขียนอะไรก็เป็นไปตามใจเรานคเยังคนนี้เขายิงปืนแม่นกวาไกัน ความจริงเขาไม่ได้แม่นกหมเจ้าท้องมารดา <c oughs> ออกมาก็ยิงปืนแม่นได้ทันทีไม่ใช่อย่างนั้นเขาต้องซักโต้ซ้อมต้งใช้กระสุนก็มากมานัเป็นร้อยเป็นพันนัดความคล่องตัวยิงแม่นมันจับวางงย่งปรากฏขึ้นชั้นใดการฝึกชาญสมาบัติก็เหมือนกันก็เหมือนกันในที่พูด แล้วก็ผลสุดก็ต้องทำอย่างนี้นะครับทำเหมือนคนบ้าทำาเรื่อยๆไปเราบ้าเข้าไปหาความดีเราบ้าดีแต่ทำลายบ้าชั่วทำลายกี่บ้าชั่วคือกี่เลททำเรื่อยๆไปอย่างที้จิตจะเพินเพอย่างประวัติศาสตร์ต่างๆที่เขาเขียนไว้ถ้าเราหยิบประวัติศาสตร์ก็มาอ่านอ่านไปตามเขาเขียงก่อน หลังจากนั้นก็วางหนังสือจิตย้อนเข้ามาทบทวนสภาพเดิมว่าตามประวัติสาตรที่เขียนไว้นั้นความจริงภาพจริงๆเป็นยังไงดูความสุขความทุกข์ของคนเหมือนก็ดูหนังภาพถอยหลังเข้าไปทียังมีความสุขแค่ไหนก็ยังมีความทุกข์แค่ไหนทำให้ชินทำให้คล่องสำหรับความเป็นทิพย์ของจิตนี่บรรดาทรรพุทธบริษัท อง์สมเด็จพระสงฆ์สวัสดิศรพ่าทรงตรั ส, าา ส, ส ว, ว่าต้องทํำบ่อยๆความจริงทำให้คร่องทุกๆวันนั้นดีมันจะมีการเคร่องตัวนอนนเข้าวความปบญทิพย์ปรากฏกับจเป็นประจําความเบนทิพย์จะปรากฏเป็นกับจิตเป็นประจําแล้วก็แม่นยําก็คือต้องทรงกําลังความดีของจิตตามนิกล่าบาลแล้วัดหนึ่งรัก่าให้รักษาสะเก็ด นักษาเปลือกนักษากับพีนักษาแก่นความดีในพุทศาสนาไว้อาการต่างๆที่ต้องสัมผัสกับเราบางทีไม่ต้องใช้กำลังสมาธิใดๆพอมีอารมณ์สบายพบอารมณ์สิ่งนั้นจะปรากฏทันทีถ้าภาพนั้นปรากฏให้เชื่อทันทีโดาที่เราไม่เคยก่อนว่าเป็นของจริงและก็สังเกตว่าจะเป็นความจริงและไม่กลืนความจริง บางครั้งถ้ากำลังใจยังต่ำยังเป็นท่าของนิวร์อยู่บ้างบางครั้งก็จะถูกอารมณ์หลอนเหมือนกันฉะนั้นจะต้องพยายามระงับนิวร์ไว้ทุกขณะจิต ท, ที่เราต้องการในสมายความถ้าเป็นพระนี่มีความจำเป็นอย่าให้นิวรณ์รบกวนเกินไป เมื่อทาได้อย่างนี้ยานาอดีตยานรู้นาอดีต ใ, ในที่สิ่งที่ดงมาแล้วมันจะไม่พลาดมีความสนุกสนานมากใครเขาพูดอะไรก็ช่างเขาเถอะแล้วก็รับฟังพร้อมกับที่เรากําลังนั่งฟังเขาพูดแล้วก็ใช้จิตทบทวนไปทันทีย้อนอดีตใกล้ปัจจุบันเขาบอกเมื่อวานนี้เมื่อกี้นี้คนมันว่ายอย่างไั้นคนนั้นทําไอ่ดีเราก็อย่าไปคายคายเขา ตั้งใจอย่างเดียวว่าถ้าหากว่าที่สิ่งทีง่พูดมันจริงและไม่จริงเราต้องการทราบ พ, พอต้องการทราบทอนนั้นทั้งท่านี้ปากเรา ค, ค, คนจิตมันก็รู้ได้ภาพเหล่านั้นมันจะเกิดกับจิตทันทีและยัทราบว่าเสบาจาที่เขาพูดเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังมันมีความจริงและไม่มีความจริงเพียงใด อันนี้เป็นประโยชน์ใหญ่มากบรรดาแต่พุทธศาสนิกชนและบรรดาเพื่อนบิุฑษ์ ส, สมณะเนเอาการลนดอีรู้ได้ทั้งคนของคนของสัตว์และของวัตถกุก็เป็นปัจจัยส่วนหนึ่งให้เราไม่ติดในโลกทั้งนี้เพราะอะไรใครที่ไหนที่มีความสุขความทุกข์มีอนวอาสนาบรารมีต่างคนต่างก็ตายหมด คนทั้งหลายเรานั่งกัจนจะนวยก็ไม่น้อยสมัยนั่นเขาก็ตายกันหมดทรัพย์ินต่างาที่หาในความเหน่อยยากแต่รบราข้าวฟันกันแย่งทรัพย์สินกันแย่งคนรักกันแย่งสถานที่กันแย่งความเป็นใหญ่กันในที่สุดต่างคนต่างตายหมดแล้วเราละ่ะจะนั่งเมาสถานที่นั่งเมาบุคคนนั่งเมาทรัพย์สินนั่งเมานาดวาสนา แล้วมันจะดีตรงไหนในที่สุดเราก็ตายเป็นปัจจัยเกิดความเบื่อหน่ยายในการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาด้วยทบถ้าอยากจะทราบระวัยความเป็นมาของคนเห็นหน้าปั๊บตินชื่อปั๊บต้องการรู้อดีตรู้ต้องการรู้ทันทีเพราะอาดีตของบคุคคลมันี้ที่อดีตคาว่าอาดีตคือเวลาที่ผ่านมาแล้ว แม้แต่หนึ่งวินาทีก็ถือว่าเป็นอดีตถอยหลังไปแต่ยาวจะสั้นหรือไม่สำคัญว่าคนนี้เขามีจริยาไปยังไงมินิไซไปยังไงมีอารมใจไปยังไงต้อต้องการรู้อารมใจก็รู้ได้ความเป็นทิพย์ของจิตเราเรียกว่าเจโตบริ ย, ยานความจริงไม่มีอะไรเลยครับความเป็นทิพย์ของจิตอย่างเดียวเรารู้หมด ใช้อย่างไหนเรียกอย่างนั้นรู้จิตคนอื่นเรียกว่าเจโตุริยานต้องการถอยหลังชาติของเราเองเป็นปุเพนิวาสานุติยานเรื่องดาวนาดีของคนอื่นของสัตว์อื่นและของสถานที่ที่อาตีท่างสียานความจริงก็ทิพยานตัวเดียวส่วนที่มีความสำคัญจริงๆต้องฝึกฝึกฝึกฝนในทิพยานให้มากสําหรับคำภาวนา ผมก็เล่าประวัติของผมไอ้ผลนไัไม่ดีไม่ดีนะครับก็มีความรู้เป็ดๆนี่แหละเอามาคุยกับพวกท่านแต่ความจริงเป็ดนี่ก็ดีเหมือนกันนะมันว่ายน้ําก็เป็นมันวิ่งก็ได้มันบินก็ได้มันเดินก็ได้มันร้องก็ได้ถึงแม้ว่าจะทําไม่ดีเท่าไก่ทําไม่ดีเท่าปลา แต่มันก็ยังทําได้บางอย่างพวกเราเนี่ยที่เราฝึกมโนยิทธิกันก็เป็นความรู้เป็ดๆในพระพุทธศาสนาที่เขาหาเขาคิดว่าวิเศษวิโสได้ความจริงมันไม่ใช่อันนี้เป็นความรู้เบื้องต้นในพุทธศาสนาจริงๆผมเองก็รู้สึกขอบคุณบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ที่ท่านสงครับผมสนับส น, นุนทุกอย่างจนท่านมีความเข้าใจในพระสัจนาตามสมควรอย่าลืมว่าอาตีตัางสัญญายก็ดีอุเพนิวาสามยันก็ดีทิพยกุยยก็ดีย า, ย, ดยานใดๆดก็าตามชนต่างชาติเขาก็เก่งอย่ากัาเลขาโนการเอกเขาก็ฐานโทษสิงคโปร์ <c oughs> ท่านพลเอกอพลทอสวรรทัตเป็นคนฝึกให้ คนนี้เก่งมากใครเดินผ่านาหน้าแกว่นไดนแกดูหมดว่าคนนี้ในสภาวะความจริงเขาจิตใจเป็นยังไงการมานี่มีอะไรบ้างเบื้องหลังที่ตาไม่เห็นแกเช็คหมดแล้วแกก็ฝึกปัญญาฝึกฝึกรู้ของแกทำได้ั <c oughs> ้าบิดามันดาของแกที่สิงคโปร์แก ก, ก็ทำได้ มีคนเคยถามว่าก่อนจะเกิดเป็นเป็นชาวสิงคโปร์เขาเคยเกิดที่ไหน <c oughs> แกก้มหน้านิดตอบได้ทันทีเงินหน้าึ้นมาเมบกบอกว่ก่อนที่จะไปเกิดที่นั่นเดิมทีแกเป็นลูกชาวนานของเมืองไทยเป็นคนไทยอย่างกับฝรั่งที่เดนเวอร์สหรัฐอเมริกาความจริงทั้งชิคาโกเดนเวอร์ แคลิฟอร์เนียเขาเก่งทั้งหมด <c oughs> แต่มีคนหนึ่งที่ผมชอบเลาะแกเป็นผู้หญิงตัวใหญ่คนนี้ถามอะไรปั๊บกลมหน้าปุ๊บเลยหน้าปั๊บถามตอบทันทีเรื่องการรัสชาติถอยหลั ง, ถ, ง, ง, งถ้าจะถามว่าแกรู้ไหมกระทั่งชี่เขาตัวเองถ้าจะถามว่าแกโมหรือไม่ใช่ผมถามสิ่งที่ผมรู้ และใจก็ตอบตรงกับที่ผมรู้ถรานี่มันเป็นเรื่องจริงเราคุณจะภูมิใจพระวันดาเพื่อนบิสฑุธรรมนเนรและญาติโยมทั้งหลาย <c oughs> เราเป็นพระไทยที่ประกาศตนว่าเป็นสาวกองสมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจา้าและพวกเราก็พากันเยอะจริงในใจว่าประเทศ ไทยรักษาพุทธศาสนาได้ดีกว่าทุกประเทศความจริงพุทธศาสนามีครบตามประเทศก็อาจจะมีเหมือนเราอาจจมีดีกว่าเราก็ได้เราไม่รู้ที่เราพูดว่าเรารักษาไม่ได้ดีกว่าทุกประเทศอาจจะมีประครบับสภาพเป็นคางคกในกาลาครอบก็ได้ที่เราไม่มองหน้าคนอื่นเขา ไม่ดูหน้าเขาว่าหน้าเขาก็หน้าเราใครมันแจ่มใสกว่ากันเวลานี้ชาวอเมริกันขาวชาวอเมริกันดำแล้วก็ชาวเยอรมันเจ๊กพี่เสืงคโปรเขาทํากันได้แล้วก็คล่องตัวแต่พวกเราที่เป็นพระพิสุทิ์สำเนินเป็นพระนี่เป็นเรนมีความสําคัญมาก จอย่าคิดว่าของเรานี้ยากถ้าคิดว่ายากก็แย่ <c oughs> ทั้งนี้พอ่อะไรพ่อว่าญาติโยมพุทธบริษัททั้งผู้หญิงผู้ชายทั้งเด็กผู้ใหญ่มีการคล่องตัวมากนักเรียนนักเสวียนเขาได้กันมากและคล่องตัวดีด้วยสภาพความเปที่โคจรเขาเป็สภาพแจ่มใสและโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มันดาพระเนรระวังกายระวังใจระวังวาจาไว้ให้มากอย่าทําตนให้ลืมความเป็นพระและอย่าทําตนให้ลืมความเป็นเนนเพราะอะไรเพราะว่าญาติโยมพุทธบริษัทมากท่านที่ทําได้ท่านชอบเช็ดพระตั้งแต่โลกันตกรถถึงนิพพาน แ้วปรากฏว่าไ ป, ไปพบพระช้างสีดอเขาเมืองอไทยในโลกันตรนรกบังในเวจีมานรกบังคุ้มอื่นมีน้อยแล้วก็พระช้างเผือกที่อยู่สวรรค์บังพุ ม, มโลกบังเลยลมบังถ้าถามว่าเป็นพระสมัยไหนเขาไม่ดูสมัยไกลสิ เขาเล่นในสมัยใ ก, ก, กล้ใไล้สมัยรัตนโกสินทร์นี่ก็ชอบชมกันโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาพบกันมากมายบางท่านเกิด ค, ความสุดใจเพราะว่าความจริงท่านมีจริยาดีมากเรียบร้อยดีทุกอย่าง ส, บสงบเสงีย่ยมเรียบร้อย เรียกว่าหน้าเรื่มใสหน้าไหวหน้าโูชาแต่ว่าพอตายไปแล้วลงอเวจีแล้วบ้างลงกับโลกกันบ้างเขาก็ใช้การทบทวนถามเรียกขมาถามได้จ้ากุนนรกท่านผู้นั้นก็เล่าตามความเป็นจริงทุกอย่างเอาเงินเข้าบ้านบ้างเอาของเข้าบ้านมาของที่จะบ้านเขาถวายมา บางท่านก็รทำตัวหมดสภาพความเป็นพระเลย <c oughs> เป็นคราวว่าที่หงพผ้าเหลืองมีลูกมีเมียได้ก็ลงกว่าว่าท่านไม่ไหวเรื่องนี้บรรดาพระภิกษุสมเณียังหลายต้องระมัดระวังก็มีญาติโยมมาจากจากที่ไหนจังหวัดสุพรรณบุรี แถวสายใสครูถามเรื่องความต้องการของพระพระที่ท่านคนโยชาอันนี้เขาดูถอยหลังไปได้ยังไม่ตายเนี่ยยังไม่ตายเขาใช้ปัจจุบันสัญญาณกับอดีตสัญญาว่าปัจจุบันนี้ท่านประพฤติดีท่านประพฤติชั่วคนโยชาแล้วไม่คนโยชา ถ้าตีตัวยานถอยหลังไปนิดหนึ่งท่านทําอะไรไว้ที่การคนบูชาและไม่คนบูชาความจริงความรู้นี้ก็ดีเป็นเหตุที่บรรดาญาโยนทั้งหลายรู้จักว่ารพระองค์ไหนคนบูชาพระองค์ไหนไม่คนบูชาจะได้พยายามผ่อนปลนค่อยๆกันดันผู้ทําลายพุทธศาสนาให้สลายตัวไป ที่ท่านปลอมเข้ามาบวชในพุทธศาสนาไม่หวังดีในการปฏิบัติหวังอย่างเดียวคือทรัพย์สินในการเลี้ยงชีพอันนี้เป็นการทําลายความดีของบรรดาท่านพุทธบริษัทและพร ะ, ะพุทธศาสนาแล้วก็อย่าลืงว่าชาวต่างชาติเขามีความฉลาดว่าก็ามีการคล่องตัวมากบรรดาพวกท่านหลายที่นั่งอยู่นี่ท่านเป็นพระ เราไม่ได้แข่งกับเขาแต่ว่าในฐานะเราเป็นเจ้าของบ้านที่เราคุยกับเขาว่าเรามีพระพุทธศาสนาเราต้องยามทำให้ในสภาพแจ่มใสความจริงเขาจะดีขนาดไหนเป็นเรื่องของเขาเราทำให้ดีที่สุดอารมณ์ติดในชีวิตคิดว่ามันไม่ตายเลิกคิด ยอมรับนับถือสำเร็จพระสมัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ให้ทรงตัวพิยามสรงสินให้บริสุทธิ์จงอย่าคิดว่าอาบัติแสดงได้ถ้าสแสดงทีไรมันตกนรกทุกทีนะขึ้นเชื่อว่าความชั่วมันชั่วแล้วมันดีไม่ได้ตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราบวชเพื่อนิพพานตามมบาลีวันนิพพานาสาสะสาจิกริยายะเอตังกาสาวังเตวา เพื่อแปลเป็นใจความว่าข้าพเจ้าขอรับผ้ากาสาวัตมาเพื่อทําให้แจ้งถึงพระนิพพานอย่างนี้จิต จ, จะสดใสทุกวันสงองข้าพสาวก็องสมเด็จปัสสัมมาทัตพุทธเจ้าสำหรับระยะนี้สัญญาณบอกเวลาปรากฏแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีเดวุฒิวิสุทธิ์เดิบรรดาสมณีญาติโยมทุกคนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี